ต่อไปอันนี้ประเด็นที่สองเธอทั้งหลายพึงเข้าไปยึดถืออัตวาผู้ปาทานซึ่งเมื่อเธอยึดถืออยู่จะไม่พึงบังเกิดความโสกปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาตมีมีมิจฉาทิฐิบ้างทิฐิหนึ่งไหมที่จะไม่เกิดโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตจะคิดไรมากเขาพิมพ์ตกตั้งหลายคํานนะมีบ้างไหมว่า ความยึดถือด้วยอำนาจอุปาทานแปลว่ายึดถือด้วยอำนาจสักกายทิฐิว่าสรวัตนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอัตตาอยู่ในขันห้าขันห้าอยู่ในอัตตาเนี่ยนะที่ยึดถือแบบนี้แล้วจะไม่เกิดโศกปริเทวทุกขโทมนัตอุปาญาตันเป็นไปได้บ้างไหมเอาคิดง่ายๆว่ายึดถืออะไรแล้วจะไม่ต้องเสียใจยเพราะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปได้บ้างไหม เธอทั้งหลายพึงเห็นอัดคือคือข้อตประโยคต้นพงษ์บอกว่าไม่มีความยึดถือด้วยอุปาทานที่จะไม่เกิดโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตรองถ้ามีความยึดถือนะที่จะไม่เกิดโศกะไม่มีรอกแปลว่าถ้ายึดถือสิ่งใดก็ร้องให้จากสิ่งนั้นอนะถ้ายึดถือสิ่งใดก็เสียใจจากสิ่งนั้นเนี่เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นอัด เธอทั้งหลายเนี่ยเธอมีความเห็นบ้างไหมว่าเมื่อเธอยึดถืออยู่จะไม่เกิดโสกกระปริเทวะทุกขโทมนะและอุบายาเป็นไปได้ไหมยึดแล้วไม่ต้องเสียใจเรียกว่ารักเป็นใช่ไหมออวันๆแห่งความรักฉันรักเป็นฉันจะไม่ต้องเสียใจมาจากความรักเนี่ยเก่งมากเลยนะเป็นไปได้ไหมวันนี้คนร้องไห้เยอะเลยวันัันเธอ เอาคนนี้ว่าเขารักแล้วเขาไม่รักไงว่เาเสียใจแย่เลยใช่ไหมกูสาคิ ด, ค, ดคิดไว้ตั้งแต่แรกคิดว่าเขาจะรักเล้วเอ้านจริงๆเขาวั น, ว, นวันความรักเขาเกิดไม่รักขึ้นมาแล้วเขาเสียใจเลยเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยเขาบอกว่ามีบ้างไหมที่คิดว่าสิ่งที่เรายึดถือแล้วเราจะไม่มีโสกะปริเทวะทุกโทมรัะและอุปาญาต จ, จากสิ่งนั้นเป็นไปได้บ้างไหมบอกไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค้าก็แปลว่าโสก ะ, ะความรักมีโสกะปริเทวะทุกโทมรัะและอุปาญาตเป็น ผลนั่นเป็นผลแห่งความรักเพางั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่มีรกักถ้ายึดถือแล้วจะไม่มีโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาก็องกรบอว่สาธุภิกษุเธอเข้าใจถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่พิจารณาเห็นอัตวาทุปาทานการยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะถ้าหากว่าใครยึดถืออยู่แล้วจะไม่เกิดโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต ไม่มีหรอกแม้แต่ชิ้นเดียวขอให้ยึดเธอยึดให้ดีเนี่ยนะยึดเอาไว้อย่างมั่นคงยึดที่เรายึดเท่ากับกล่องดวงใจนะี่แหละอยาคิดนะั้นว่าจะไม่ร้องไห้จากสิ่งนั้นจะไม่เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจากสิ่งนั้นบอกเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่สเธอทั้งหลายพึงอาศัยทิฏนิสัยทิฏนิสัยแปลว่าคนแบกแต่ความเห็นของตัว นะพวกอนุรักษ์นิยมถือเอาแตความเห็นเป็นของตัวเนี่ยนะพันชั้นเชื่ออะไรขอเชื่อเช่นนั้นตะลอดไปอันนี้เก่งมากเหมือนเก่งไงก็ยึดถือถ้าฉั้นเชื่ออะไรทิฏฐินิสยัยแปลว่าแม้เชื่ออะไรก็ขอพักดีต่อความเชื่อเช่นนั้นตลอดไปก็บอกว่าเมื่อซึ่งเมื่อเธออาศายัยยึดถืออยู่จะไม่เกิดโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตแปลว่าทิฏฐิตัวใดก็ช่างที่ใคร er u, ยึดถือแล้วนะ ตามมาด้วยโสกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตหมดทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอทั้งหลายเห็นทิฏฐินิสัยการแบกมิตรฉาทิฏฐิซึ่งเมื่อเธอแบกอยู่เนี่ยนะจะไม่พึงเกิดโสกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตมีหรือไม่เป็นไปได้ไหมเอาเธอเอาเชื่อสักเรื่องหนึ่งขึ้นมานะแล้วอย่าเปลี่ยนใจนะเชื่อไว้อย่างนั้นตลอดไปแล้วจะไม่ต้องเสียใจในวันหลังเนี่ยเธอว่ามีไหมไม่เป็นอย่างนั้นเราพระเจ้าญข่าใช่ไหม สิ่งที่เราเชื่อทำไมเป็นอย่างที่เราเชื่อแล้วเงยนะเพราะอะไรเพราะความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยทุกความเชื่อทุกความคิดอคว่าทิฐิเชื่อตัวนี้เป็นชื่อของมิจฉาทิฐิเนี่นยนะสรุปว่าไม่มีมิจฉาทิฐิเหล่าใดที่จะไม่ตามมาด้วย โสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตพรันพิสูทั้งหลายสาธุดีแล้วว่างั้นเราก็ไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัยการยึดถือด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิซึ่งเมื่อบุคคลยึดถืออยู่อย่างนี้จะไม่พึงบังเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตไม่มีแม้แต่ข้อเดียวใช่ไหมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งน้ำตาว่างั้นแต่เพราะอะไรเพราะสังขารธรรมเนี่ยนะโสกาโตโสภาธรรมโตสังขารทุกชนิดเป็นที่ตั้งแห่ง ความโศกสังขารทุกชนิดในโลกนี้เนี ism, ่ยนะท nee, uh, ี่ไม่ใช่คุณธรรมที่เป็นโลกุตระสังขารทุกชนิดในโลกนี้เนี่ยนะอุปายาสะธรรมโตเป็นที่ตั้งแห่งความขับแค้นเป็นที่ตั้งแห่งโศกเป็นที่ตั้งแห่งความรำไรพี่ไรรำพันสังขารทุกชนิดเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจโดยที่สุดแม้แต่ความคิดตัวนั้นอะความคิดตัวนั้นก็ยังถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ สบายใจเนี่ยนะเขบอกอะไรนะใครบอกว่าโอ้ยเรื OK. ่องนั้นนะก็เป็นที so, okay. ่ตั้งแห่งเสียใจเพราะเรื่องนั้นเสียใจเพราะเรื่องนี้เสียใจเพราะเรื่องนั้นเช่นบางคนว่าเสียใจเพราะเรื่องลูกคนนั้นเสียใจเพราะเรื่องลูกคนนี้ก็ไอความคิดของคุณนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจที่สุดเหมือนกันนะถ้าคุณไม่คิดคงก็ไม่เสียใจหรอกแต่กลกตัวความคิดอันนั้นอ่ะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะคือเสียใจมากกวเพราะตัวเองนั้นมี ว ค, ความคิดเช่นนั้นนั้นความคิดทั้งหลายความเห็นทั้งหลายทิฏฐิทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกโทมณัตและอุปายาก็ตามปฏิจจานั้นเละนะทั้งกําหนดถือบริขารด้วยอํานาจตันหายึดถือทิฏฐิด้วยอํานาจทิฏฐิด้วยอํานาจอัตวาทูปปาทานด้วยอํานาจทิฏฐิก็ปฏิจจสมบาทบทว่าตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยจึงเกิด ชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตขึ้นต้นตรงไหนก็ตามขึ้นชื่อด้วยตัณหาไม่มีตัณหาเดียวที่ไม่จบลงด้วยโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตไม่มีทิฏฐิแม้แต่ทิฏฐิเดียวที่ไม่จบด้วยโสกะปริเทวะทุกโธมนัตและอุปายาตไม่มีกรรมแม้แต่กรรมเดียวเว้นไว้แต่มรรคเนี่ยนะไม่มีกรรมแม้แต่กรรมเดียวที่ไม่จบลงด้วยโสกปริเทวะทุกโทมนัตและ ปุปายาสังขารธรรมเป็นอย่างนั้นเรียกว่าความเศร้าหมองแห่งวัตตะวัตตะเนี่ยในสายตาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเศร้าหมองพระ อ, องค์จึงสอนธรรมเพื่อการออกใช่ไหมคือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามออกเถอะ อ, องค์ก็สอนสมถวิปัสนาที่เปรียบเหมือนเรือเหมือนแพเพื่อที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งสู่ฝั่งหนึ่งข้ามจากวัตตะสู่วิวัตตะทีนี้ปัญหาว่า เ, เราตั้งใจคิดจะสร้างแพมั้งหรือ ย, อยัง ยังไงคจะสร้างแพ้บอโอ้ดีไม่ออกจากวะตาดีเอาเลยไหมเอาไว้ก่อนติดประชุมเป็นอย่างนี้มานานละเมื่อกี้สุญญาตา3เงื่อนใช่มคือข้อ282อันนี้เป็นสุญญาตาสเงื่อนข้อ28ดเป็นสุญญาตาสเงื่อนข้อ2องอดอันนี้สุญญาตาสองเงื่อนยังไง้อหน้า292 พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันหนึ่งเมื่ออัตตามีอยู่บริการที่เนื่องด้วยอัตตาก็พึงว่าพึงมีว่าของเราหรือบอกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเรามีนะคิดง่ายๆว่าถ้าเรามีเนี่ยของเราก็มีใช่ถ้ามีเราก็ต้องมีของเราขอให้มีเราก็แสดงว่าต้องมีของของเรามีบริการของเราใช่ไหมเช่นถ้าเราเป็นเป็นใจใจคือเรารูปก็เป็นของเราข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดก็เป็น ถ้าถือเอาร่างกายทั้งหมดทั้งความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดว่าเป็นเราสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีเราก็ต้องมีสิ่งบริคารนับเนื่องว่าเป็นของเราก็ต้องมีอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าค่ะผมก็ถามว่าอันหนึ่งเมื่อบริขารเนื่องด้วยอัตตามีอยู่อัตตาเพ่งมีว่าของเราหรือสมมติถ้าหากว่าของของเรามีก็แสดงว่าต้องมีเราถ้ามีของเราก็แสดงว่าต้องมีเรา อันดับแรกันคำแรกก็บอกถ้ามีเราก็ต้องมีของเราถ้ามีของเราก็ต้องมีเราเราตัวนี้แปลว่าอัตตาเนี่ยนะเมื่อมีอัตตาก็ต้องมีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่อมีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาก็ต้องมีอัตตาพ่อพี่สุก็บอกยอมรับว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะที่นี้ก็พูดตรงๆเลยว่าและอัตตาและบริขารที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะเอาความเป็นจริงเข้าเนี่ยที่บุคคลยึดถือเอาไม่ได้หาไม่พบโดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้มันมีแต่มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเท่านั้นแหละมันเป็นเพียงมิจฉาทิฏฐิที่ยึดถืออาว่านั้นโลกนั้นอัตตาเมื่อตายไปแล้วเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความเปรปรนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นธรรมะหรือความคิดอันนี้เนี่ยนะทิฏฐิอันนี้เป็นของคนว่างเปล่าบริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ใช่หรือภิกษุก็ทูลว่า จะไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างไงพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำของคนเปล่าคนเลวว่านั้นอ่ะนี้เปนอะไรนะว่างมากอะนะว่างมากเปรียบเหมือนใครเปรียบเหมือนบุกชายคนหนึ่งมานั่งสร้างเมืองในความฝันเมื่อสร้างเมืองในความฝันมันก็มีเมืองอะไรนะเมืองสัตว์เมืองสองเมืองนี่กําลังรบกันนะนะสองเมืองกําลังตีกันทีนี้คนตัวเองเนี่ยก็ไปแอบคิดสร้างบางคนขึ้นในความคิดแล้วชอบคนนั้นมากคิดไปคิดมาแล้ว คนนั้นถูกฆ่าถามว่าน่าเสียใจไหมแล้วคนที่คิดได้อย่างนี้ถือว่าเก่งใช่ไหมคิดจนร้องไหอ้อะนะคิดจนร้องไห้คิดจนลำบากใจเนี่ยอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นของของของคนศูนย์เป็นของคนเปล่าอย่างคิดถึงเรียกว่าบางคนที่เขาชื่อว่าพบต่อไปจะมีอัตราที่มั่นคงถาวรเที่ยงแท้และนิรันดรปัจจุบันนี้เนี่ยนะอะไรเป็นอัตรารูปใช่ไหมเป็นอัตรา เวทนาใช่ไหมเป็นอัตตาสัญญาสังขารหรือวิญญาณใช่ไมเป็นอัตตาไม่ใช่ตาใช่ไหมเป็นอัตตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเป็นอัตตาปัจจุบันยังหาอัตตาไม่ได้แล้วพบต่อไปจะมีอัตตาได้อย่างไรเพรา ะ, ะนั้นความคิดที่บอกว่าอัตตาชาติหน้ามันจะเที่ยงมันจะคว้ามั่นคงมันจะถึงความแน่นอนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคนเปล่าเปล่าโดยบริบูรณ์ิ้นเชิง ลับที่ไม่ใช่น้อยในโลกคิดว่าชาตินี้ไม่เที่ยงแต่ชาติหน้าจะเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไปอาบน้าใช้เขาไปอาบน้าชาติหน้าจะได้บริสุทธิ์ตลอดไปเขาก็รีบไปอาบน้ำบ้างเขาไปทำพิธีแล้วแต่คิดขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งภาวะอัตตาในชาติขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วไอภาวะในภพหน้าชาติหน้าจะมีได้อย่างไรที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวิปัสสนานั่นแหละ นันก็พระองค์ก็เลยสอนวิปัสสนาเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงคือในโลกนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาคืออะไรที่ตั้งแห่งตันหาก็คือขันห้าที่ตั้งแห่งตัหามานะก็คือขันห้าที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิก็คือขันห้าขันห้าเป็นที่เกิดของตันหาเป็นที่เกิดของมานะเป็นที่เกิดของทิฏฐิตันขันหเป็นที่ตั้งแห่งปะปัญจะธรรม ขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งผู้จริตขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาเป็นที่ตั้งแห่งทิฏขันห้าจึงเป็นสังกิเลสิกะธรรมขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโซกะขันห้าจึงเป็นโซกะธรรมธรรมตัวนั้นแปลว่าเหตุขันห้าจึงเป็นเหตุแห่งโซกะปริเทวะทุกโธมณตและอุปาญาตขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขันห้าเป็นคือภาวะที่ไม่เที่ยง ขันหคือภาวะที่เป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเพื่อจะประกาศให้เห็นความจริงพระองค์ก็ถามพระพิสูจนทั้งหลายว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนะัรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนี้โดยศับแปลว่าสิ่งที่สลายไปนะนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค้า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 เที่ยงเมื่อรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเป็นทุกเพรอะไรเป็นทุกเพราะว่าเล่าร้อนทนได้ลําบากและเป็นที่ตั้งแห่งทุกอย่างอื่นเป็นอเนกปฏิเสธสภาวะแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยนะเมื่อสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะเป็นของศูนย์เป็นของไม่มีเจ้าของไม่เป็นใหญ่และปฏิเสธภาวะแห่งความเป็น อัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเห็นว่ารูปด้วยไม่ควรเห็นว่ามันเที่ยงไม่ควรตามเห็นรูปว่าเป็นสุขไม่ควรตามเห็นรูปว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องควรจะตามเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยนั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสนาตามเห็นว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานนปัสนาเพราะฉะนั้น การปฏิบัติที่ชอบถูกต้องในรูปประหาก็คือตามเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาดูกอนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงนะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรอย่างนั้นเลยพระเจ้าค้าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า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 ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะอันนี้เรหมุนรอบที่หนึ่งปริวัตรที่หนึ่งปริวัตรที่หนึ่งก็คือการถามเพื่ออนุมัติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทีนี้ปริวัตรรอบสองรอบสองเป็นการพิจารณาโดยสิบอ็น เพราะเหตุนั้นแหละเหตุนั้นเหตุไหนเพราะเหตุที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังที่สรุปแล้วใช่ไหมว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใด้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นไม่สมควรเลยที่จะตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นไม่ควรเลยที่จะตามเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเป็นใจความโดยสรุปว่าภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีดทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งปวงนั้นเธอทั้งหลายเพ่งเห็นด้วยรูปทั้งปวงนั้นคือทั้งหมดนะมันจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันจะภายในหรือภายนอกจะหยาบหรือละเอียดจะเลวหรือประณีด ทั้งหมดมันมันก็รูปทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรนะ้องเป็นรูปวันยังค่ํามันเป็นรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเธอควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า น, น, นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาก็เหมือนกัน สัญญาสังขารและวิญญาณทุกอย่างเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็คือเวทนาทั้งนั้นแหละทั้งหมดนั้นก็คือสัญญาทั้งนั้นแหละนั่นก็คือสังขารทั้งนั้นแหละนั่นก็คือวิญญาณทั้งนั้นนั่นแหลมันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่านั้นแหละนั้นเธอทั้งหลายเพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องอันชอบ ชอบก็บแ ว, ว่าเห็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาไม่เป็นนั่นเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสนาสรุปว่าขันห้าเนี่ยนะจะขันเราใดก็ช่างเถ พ, พิจารณาเห็นขันในอดีตว่าเห็นขันในอดีตว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นขันในอนาคตว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันในปัจจุบันทั้งมวลว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันภายนอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันขันภายในว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันหยาบหรือขันละเอียดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันประณีตเเลวหรือประณีตอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นได้อย่างนี้ ข้อสองดสิบหาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าพูดทุกประการเบื่อได้ไหมเห็นจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าว่าหมดจะชอบหรือจะเบื่อก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายก็ได้ว่าแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัค น, นะอนุปัสนาสามที่บริบูรญย่อมยังนิพิทาให้บริบูรณ์นิพิทาที่บริบูรญย่อมยังวิราคาให้ บริบูนอริยมรต ก, ก็บริบูรณ์เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นนี่ยนะก็คืออริยผลทั้งหลายมียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอันนี้ปัจเจกขณะยานปัจเจกขณะยานเกิดว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดด้วยว่าชาติคือปฏิสนธิในภพใหม่สิ้นแล้วพรหมจันทร์คืออริยมรต พระรมจารย์คืออธิศีอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะระดับโสดาปฏิมคสกธาคารมีมักอนาคารมีมักอรหัตมักอยู่จบแล้วกิจในทุกกิจทุกควรกําหนดรู้กิจสมุทัยควรละกิจมีรสควรทําให้แจ้งกิจอริยมัคที่ควรเจริญกิจที่สมควรทําในอริยสัจสี่หรือกิจในอริยสัจสี่เรียกว่ากิจสิบหก็ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อจะปฏิบัติให้เป็นพระุอาหารอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปทีนี้ก็เป็นใครแล้วกันี่ ก็เป็นพาหาันทีนี่ก็เดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาดูว่าคุณนสมบัติของพาหันผู้ทำกิจเสร็จแล้วเป็นอย่างไร